สองร้อยเก้าปัจจุบันเท่านั้นที่ปุถุชนจะทำฝันให้หมดสิ้นได้แต่ถ้าปุถุชนคนผู้ใดเข้าใจหรือเห็นว่าโลกุตระธรรมเป็นภาวะที่น่าได้น่ามีกันโลกุตระก็จะเป็นความจริงที่ปุถุชนผู้นั้นฝ่ฝัน แล้วคนผู้นี้ก็จะสแสวงหาโรกุตละธรรมมาให้ตนซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงจะแค่ใดก็ตามจริงของตนนี่ก็เป็นความจริงของคนผู้เอาจริงหรือไม่เอาจริงกับความจริงหรือจะอยู่กับฝันอีกจนกว่าผู้นั้นจะสามารถสัมผัสภาวะ ที่ตรงกับตนไฝ่ฝันว่านี่แหละความจริงเมื่อพบแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติเพื่อทำฝันนั้นให้กลายเป็นความจริงที่ยืนยันได้อย่างมีสภาวะปรากฏเกิดขึ้นในตนได้ว่าความจริงที่เป็นโลกุตละธรรมนั้นเป็นเช่นนี้เช่นนี้เองหนอ เป็นเช่นนี้เองจัตตาที่เป็นปรมาถธรรมขั้นต้นเวทนามันเป็นเช่นนี้เองจิตเป็นเช่นนี้เองธรรมมาเป็นเช่นนี้เองแล้วก็ทำฝันให้เป็นความจริงขึ้นต่อไปต่อไปจนกว่าจะบริบูรณ์และสมบูรณ์แท้แท้จริงๆ ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ความจริงในขณะที่มีชีวิตเป็นเป็นนี้ที่มีสุรภาวะครบอาการ32และมีสติมันโตทั้งภายนอกภายในครบขัน5พร้อมทั้งอายตนะหขณะมีจิตขึ้นรับวิถีซึ่งรับสัมผัสได้อยู่ทั้ง6ทสวานตามปกติ ในภาวะตื่นตื่นมีองค์ประกอบของโลกคือสิ่งแวดล้อมอยู่กับตนทั้งหลายทุกสรรพสิ่งที่คนผู้นั้นเกี่ยวข้องอยู่นี้วงเล็บอิชะโลกเท่านั้นที่จะแก้ไขฝันทำฝันให้หมดสิ้นได้กระทงเป็นความจริงสำเร็จบริบูรณ์แท้ในวงการาศาสนาพุทธปัจจุบันนี้ ชาวพุทธทั่วไปมีทิฏฐิวิปลาดหรือมีมิจฉาทิฏฐิว่าจะเรียนรู้ความจริงและจะแก้ไขฝันให้เป็นความจริงสัจธรรมได้ด้วยสมาธิหลับตาการเกือบท่วนทั่วไปทุกผู้คนแล้วในสังคมไทยพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าความจริงของปุถุชนจะแก้ไขได้ ในขณะที่ความจริงของคนปรากฏอยู่ทนโท้เป็นปัจจุบันนั้นนนที่เจ้าตัวสัมผัสอยู่หลัดหลัดและคนผู้นั้นก็ต้องมีสติมันโตตื่นเต็มครบจิตขึ้นรับวิถีหกวานแล้วเรียนรู้รูปนามจากขันห้าพร้อมทั้งมีอายตนะหกในขณะมีผัสสะหก จึงเกิดเวทนาหกให้ศึกษาแก้ไขจึงจัดการแก้ไขให้สัมมาทิฐิสัมมาปฏิบัติอภิสังขารจึงต้องปัจจุบันเท่านั้นที่ปุถุชนจะทาฝันให้หมดสิ้นไปได้ความจริงความจริงจึงอยู่ที่ปัจจุบันเท่านั้นทั้งในภาคมรรคและในภาคผล นอกปัจจุบันแล้วในอดีตหรือในอนาคตใดก็ทำฝันให้หมดสิ้นไปไม่ได้เด็ดขาด